พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาค่ะสันสนีนาคพงดําเนินรายการนะคะสถา น, นีพิธีครอบรครัวข่าวเอเซมค่ะที่คุณกําลังฟังกันอยู่ในขณะนี้เป็นสถา น, นีในสังกัดของกองทัพเรือนะคะสทรค่ะเราก็เข้ามาสู่บรรยากาศของการที่ท่านจะได้ศึกษาพุทธวจนะคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ แล้วก็จะนําพาชีวิตของท่านนั้นให้พบกับความสวัสดีเป็นเบื้องต้นเลยนะคะแล้วยังจะมีเบื้องปลายมากกว่านั้นก็คือทําให้ท่านสามารถที่จะไปถึงระดับของการที่จะหมดทุกข์ไปเลยหรือเรียกว่าเป็นอริยะนะคะได้วิมุตต์หลุดพน้นหากว่าท่านมีอินทรีย์บารมีพอที่จะปฏิบัติไปถึงตรงนั้นได้ เราก็ไปพบกับพระอาจารย์ที่จะมานําพวกเรานะคะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนในคําสอนที่พระาศาสดาได้ตรัสเอาไว้ด้วยนั่นก็คือพระมหาภัยบุอ์อภิปุณโงจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีนะคะกลาวน้อสการค่ะท่าคะเชิญปเวลาที่เรามาพบกันเจอเจอกันในทุกวันวเรามาบูชาพระบรุญช้ากันนั้นด้วยการที่เราปฏิบัติธรรมการบูชาในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอาจุดทู่บูชา เอาเรื่องไหว้สการะบูชานั้นก็ยังเป็นการบูชาในรูปแบบที่ยังใช้สิ่งของนะซึ่งการบูชาที่จะสูงกว่าดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยคือการบูชาที่ใช้ในการปฏิบัตินะใช้การปฏิบัติเป็นเครื่องบูชาในะการปฏิบัติบูชานั้นก็คือให้เรามาทรงสติเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมเช่นสติสมาที่ความเมตตาอุเบกขาแนะในกุณธรรมอื่นๆที่เป็นเรื่องของกุศลธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในใจของเรา ในใจของเราต้องมีสติซะก่อนสติจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีฐานที่ตั้งพระเจ้าใช้คําว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งแห่งการที่เราจะมีสติฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงซช่นในที่นี้ได้เคยพูดถึงเรื่องของการที่ใช้กายแต่ตัวประงค์เองก่อนการตรัสรู้ก็ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงในด้วยการใช้ลมหายใจนั่นเองลมหายใจของเราที่ผ่านเข้าผ่านออกยังเป็นธรรมชาติปกติธรรมดาอยู่อย่างนี้เป็นเครื่องมือได้ เป็นเครื่องมือในการที่จะให้ใจของเรามาตั้งอยู่ที่นี่นะไม่วันวายไม่หลีกนี้ไม่วุ่นไวายไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอ ย, อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเวลาที่เราสัมผัส ร, รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนะคือในบริเวณโพรงจมูกเนี่ยเรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ที่ไหนให้เอาจิตของเราตั้งไว้ที่นั้นเวลาทําอย่างนี้แล้ว ชื่อว่าเรานั้นเดินใกล้เข้าไปสู่นิพพานก้าหนึ่มีสติก้าหนเนี่ยเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลม1เนี่ยเราใกล้ความตายเข้าไปครั้งหนึ่งนั่น ค, คืออายุสั้นเราไปลงไปลมหายใจ1แต่ในขณะที่เราอายุเราสั้นลงไปลมหายใจ1เราก็ยืดชีวิตของเรานะที่จะเข้าสู่ความไม่ตายเนี่ยให้มันยืดออกไปอีกลมหายใจ1เหมือนกันถ้าลมหายใจของเรานั้นมีสติเราก็จะใกล้สู่ความไม่ตายลมหายใจ1 แผะในการที่เราจะเดินเข้าไปสู่ความใกล้สู่ความไม่ตายใกล้เข้าไปสู่ความเป็นอมตะใกล้เข้าไปสู่นิพพานเนี่ยการเดินทางตรงนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่พนะุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะกับชาวนาที่ปลูกข้าวนะเขาก็ค่อยๆทําไปได้เคยตรัสไว้ในเรื่องนี้อย่างนี้บอกว่ากิจของข้าบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมี3อย่างเหล่านี้3อย่างคือข้าบดีชาวนานั้นจะต้องรีบรีบไถกร า, าดพื้นที่นา ให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วก็รีบปลูกพืชครั้นแล้วก็รีบขายน้ํำข้าวบ้างขายน้ำหม อ, อกบ้างคิดของกระดาษบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้ก็แต่ว่ากระดาบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบรรดาลว่าข้าวของเราจงงอกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกเมื่อื่นนี้ดังนี้ได้เลย ที่แท้ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลย่อมจะงอกบ้างตั้งท้องบ้างสุกบ้างฉะนั้นก็ฉะนั้นกิจที่เธอจะต้องรีบทรมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลนั้นยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตนันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาันยิ่ง กิจที่เธอจะต้องรทำมีสามอย่างเหล่านี้ก็แต่ว่าเธอผู้นั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพน้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นนี้ดังนี้ได้เลยที่แท้ยังมีเวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อเธอนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลนั้นยิ่ง ปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจะอาสวะทั้งหลายได้เองเพราะไม่มีความยึดมั่นหรือมั่นเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่า ดาเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดก็เมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้ วันอื่นๆสิ้นไปเต่านี้ท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นหรือเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูกที่ทํได้ไหวยอยู่ในน้ำตลอดหกเดือนแล้วเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกเหล่านั้นพึ่งอยู่กับลมและแดดชุ่มแช อยื่ด้หมอกอั น, นับชื้นย่อมยุบตัวเปลื่ยพังไปโดยไม่ยากเลยนี่ฉันใดก็เมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่สังยอดทั้งหลายซึ่งเหมือนเครื่องใยที่อบอยู่กับแดดลมและความชื้นย่อมระงับลงระงับลงกระทั่งศูนย์สิ้นไปจะนั้นเหมือนกันพิษุททั้งหลายเมื่อเธอตามประกอบ การเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอหเนาจิตของเราปึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเถิบดังนี้จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีความยึดตือได้เป็นแน่ข้อนั้นเพระเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐานสีสมาธิทานสี่อิทธิบาทสีอินรีห้า ปลาห้าชงเจ็ดและอรีมักมีองแปดเปรียมเหมือนฟองไข่8ฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองอันแม่ไก่กกดีแล้วคือพลิกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋หนอลูกไก่ของเราจงทำลายกระปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปาก ออกมาได้โดยสวัสดีเถิดรูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระปาะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากให้ออกมาได้โดยสวัสดีโดยแต่ฉันใก็ฉนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราค่อยๆทำไปและเป็นขั้นเป็นตอนก็จะมีการที่จะทำให้อสาาวะสิ้นได้ทำให้ละความยึดถือได้นั่นเองเรนปอนค่ะก็เท่ากับว่า เราเนี่ยอย่าได้ท้อทาให้ถูกทําไปเรื่อยๆยึดทางสายกลางอยงั้นไหมคะถูกต้องถูกต้องนะทางสายกลางที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาในะบทประเด็นชนะที่พพุชาตรัสไว้นที่นี้ก็คืออธิศีลคือศีลยิ่งนะอธิจิตคือจิตอันยิ่งอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่ง น, นั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะคนที่พอมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ เป็นธรรมดานะคะก็ต้องการความก้าวหน้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าระยะเวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วนะน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังเห็นนั่นเห็นนี่บ้างก็จะเป็นอย่างเงี้ยกัร น, น, นะคะใช่ใช่ที่ว่าเห็นนั่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเรื่องที่ว่าเห็นรกสวรรค์อะไรนี้ก็ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะ บางคนเห็นหน้านี่อาจจะแบบอยู่ในแนวทางที่ว่าโอ้โหจิตมันจะต้องวางลงไปตึ้มแบบระเบิดบึ้มแล้วก็แบบแหม่สบายวางได้อะไรเงี้ยบางคนก<ช>็จะคิดว่าโอ้โหมันจะต้องแบบนั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่รู้สึกอะไรบางคนจะไปอย่างนั้ น, น, นแต่ที่<ช> ท, ท, ที่ที่อาจารยมาลรงจะพูดถึงที่ว่าคุณต้องมีความก้าวหน้าบ้างอะไรที่มันจะต้องวัดได้เนี่ยซึ่งไอความก้าวหน้าตรงเนี้ยเอาเราดูตัวอย่างด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้ไหนมันสึกไปเนี่ย เรารู้อยู่มันสึกไปรองเท้าเราใส่เนี่ยเออมันก็ค่อยสึกไปสึกไปนะแต่ไอการสึกไปเนี่ยบางทีมันมันเบาบางมากเราสังเกตแทบจะไม่รู้แต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องมีต้องสังเกตเห็นถูกไหมเพราะไอการสังเกตเห็นตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นว่าคุณอยู่ในที่ทํางานคนด่าว่าอะไรต่างๆเฮ้ยเราเรารู้สึกโกรดน้อยลงนะื้วางได้เร็วขึ้นพวกนี้คือการที่เราเห็นได้นะเป็นการพัฒนาที่เราเห็นได้แน่นอน แต่แต่มันอาจจะไม่ได้ปรากฏมาอยู่ในรูปของตอนที่คุณนั่งหลับตาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> คือแต่ฉังคิดว่าพระสูตรเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่ฟังรายการแล้วก็เป็นผู้ฝึกปฏิบัติแล้วเจอปัญหาอย่างเนี้ยนะคะนับวันคอยเอยกับเพื่อนเราเนี่ยไปปฏิบัติครั้งเดียวเองกลับมาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาถึงชั้นชั้นไหนต่อไหนแล้วนะคะคือบางคนมีความเชื่อเลยว่าไปครั้งเดียวเนี่ย ได้ครบทุกชาตานได้ยินเพื่อนพูดอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ว่าพอฟังพระสูตรนี้น่าจะมีกำลังใจที่ท่านชอบอุ ป, ปมาพระพุทธเจ้าใช่คือถ้าเรามานั่งคิดจริงๆเนี่ยพวกด้ามเครื่องมือต่างๆบางคนเนี่ยเฮ้ยเราจับค้อนมาครึ่งชีวิตแล้วไม่เห็นมันสึกเลย <laughs> <laughs> ดูไม่ออกอแต่จริงๆแล้วสึก ถุกต้องถูกต้อง เ, เราดูที่รองเท้าเราก็ได้นะกู่ที่ใสยออ่ยูปัจจุบันเนี่ยเอาไปใส่เมากี่ปีแล้วนะมันมันก็สึกเห็นแน่นอนนะบางทีไปเปลี่ยนส้นเปลือยอะไรเราจะเห็นอยู่ใช่เพียงแต่ว่ามันเห็นน้อยบางคนเห็นน้อยแทบจะไม่เห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยแต่มีแน่นอนแต่มีแน่นอนนะแล้วอีกประการหนึ่งคือการที่คุณจะต้องเห็นเนี่ยเห็นนี่เห็นนี่เห็นอะไรเนี่ยมันจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงถึงจะถูก แต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แบบจิตสงบบ้างตื้มต่ำรือว่าไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงนั่นคือถูกแล้วนะนั่นคือถูกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยคือเห็นด้วยความเป็นกอบไม่เที่ยงบ้างคุณเน้นสติบ้างพวกเนี้ยถือว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวถูกแล้วมาถูกทางแน่นอนตามที่เป็นจริงของท่านเนี่ยมีกรอบไหมคะว่าจะต้องเป็นตามที่เป็นจริงเฉพาะว่าเห็นสติเห็นความไม่เที่ยงเห็นอะไรที่เป็นภาษาธรรมะเท่านั้น ในที่นี้เนี่ยเช่นว่าเราคิดเรื่องใหนเรื่องหนึ่งในอดีตนะอาจจะเป็นเรื่องที่เคยที่ทำให้เรื่องที่อาจจะทำไม่เคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจมาก่อนนะแต่ถ้าแบบว่าตอนนั้นเราคุณอาจจะไม่ได้เห็นลมหายใจก็ได้นะสมมติบางคนปฏิบัติด้วยลมหายใจนั่งหลับตานะแต่ลมหายใจไม่เห็นละแต่จจคิดเรื่องอดีตแต่ในขณะที่ที่คิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยึดถืออะไรนะเห็นมันเป็นแบบธรรมดาธรรมดาอันหนึ่ง ในขณะที่ตอนแรกๆที่เรื่องนี้มันเคยทําให้เราเจ็บช้าน้ำใจจี๊ดจ๊าดปรี๊ดปรัดขึ้นมาแต่ตอนที่เห็นอยู่ปัจจุบันนั้นอ่ะไม่ได้เห็นลงหาใจด้วยนะแต่เห็นด้วยความธรรมดาโดยที่ไม่ได้วิ่งเข้าไปหาในสิ่งที่ชอบไม่ได้วิ่งหนีในสิ่งที่เกลียดแต่เห็นอยู่กลางๆตรงเนี้ยตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนะคุณโยมติ๋วไม่ได้เห็นลมหาใจด้วยนะแต่เห็นธรรมในธรรมนั่นคือเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราไม่ได้เข้าไปยึดถือเราไม่ได้ไปเพลิดเพลินในนั้ นั่งสมาธิอยู่ตั้งใจที่จะรู้แต่ลมแต่จูๆ่ๆก <ลง S 2> ็ไปรู้อย่างอื่นลมไม่รู้หายไปไหนละค่ะซึ่งเราก็รู้ด้วยว่าไปรู้อย่างอื่นแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราต้องกลับมารู้ล ม, มเราจึงกลับมารู้ลมอย่างนี้ถูกเลยะะถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยะะเพราะว่าอาการที่กลับมาตรงนั้นเนี่ยคือการระลึกได้คุนึกถึงได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่า ขณะที่เราเริ่มต้นที่จะมีจิตผู้รู้ไปรู้อยู่โหลกับลมที่เป็นวิธีของอานาปานสติทันใดนั้นเราก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็กว่าจะรู้ตัวคิดไปนานแล้วเหมือนกันนะคะอื ม, มีสตอรี่เกิดขึ้นมนิดหน่อยอแต่ก็เอากลับมาได้อย่างนี้เป็นยังไงคะถามว่าไอ้ช่วงที่ที่เอากลับมาได้นี่คือดีนะอย่างที่เราพูดไปว่า คุณกลับไม่ได้ก็คือคุณมีการาระลึกถึงลมหายใจใช่ไหมแต่ <quisite. S 1> ใน ช, ช่วงที่คุณไปเนี่ยคุณไปแล้ว เ, เราไม่ได้เห็นลมด้วยซ้ำนะแต่ถามว่าตรงนั้นลืมลมหายใจไหมก็คือแน่นอนว่าไม่ได้เห็นลมแล้วนะแต่อนขณะที่ไปเนี่ยไปแล้วมันยังอยู่ในสติปัตานไหมไปแล้วยังเห็นทำในทำไหมเพราะว่าลมหายใจเราอาจจะไม่เห็นแล้วนะแต่ว่าเรายังเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงไหมเราเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่<ม>ตัวตนของ เ, าเราไหมเราไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นหรือไม่ นะคือโดยดูยังไงไม่มีความคิดทางการพยาบามเบียดเบียนนะไม่ได้พุ่งเข้าไปหาลักษณะว่าจิตน้อมโน้มน้อมไปทางนั้นหรือไม่ได้รู้สึกขยะกขย้งเกลียดชังอันนี้แสดงว่าเราเห็นธรรมในธรรมนะค่ ะ, ะประเด็นคือท่านพูดว่าไม่ได้คิดเป็ปนทางกามพยาบามเบียดเบียน อ, อันนี้เรื่องที่หนึ่งก็แปลว่าถ้าคดิดดีๆคิดที่ไม่กามพยาบามเบียดเบียนนี่คิดได้ใช่ไมได้ได้แน่นอนนะคะ ซึ่งซึ่งตอนนี้มันค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปเพระาะว่าเราทำมาถูกวิธีนะ <c oughs> คือการทำถูกวิธีเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะตนี้บางคนเนี่ยทำไม่ถูกไงนะทำไม่ถูกและยังหวังผลนี้มันจะไม่ได้ค่ะเพราะนั้นการทำไม่ถูกอ่าการทำไม่ถูกก็คือว่าการที่คุณแบบหวังต้องบังคับต้องคิดว่ามันต้องได้อย่างเงี้ยมันมันเรียกว่า <c oughs> ทาไม่ถูกละค่ะซ <c oughs> ึ่งดิฉันเข้าใจว่า เวลาที่มีปัญหาก็คือจะไม่รู้วิธีที่ถูกเลยตั้งแต่ต้นใช่จึงทำให้เวลาทำแล้วสับสนไป็มหมดมค่ ะ, ะซึ่งซึ่งถ้าผอว่าทำไม่ถูกเนี่ยคือมันไม่ได้เลยล่ะไม่ใช่ว่ายากมากคือมันไม่มีทางเป็นไม่ได้แ ต, ะะแต่ถ้าทาถูกเนี่ยไม่ยากเนี่ยไม่ยากค่ะซึ่งวิธีที่ถูกถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยได้ฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้ตตนทุกวันเนี่ พระอาจารย์ไพบุญจะสอนวิธีที่ถูกให้ตั้งแต่ในตอนต้นเลยนั่นคือเรื่องของอานาปานาสตินั่นเองค่ะก็เทากับว่าตอนนี้นี่สบายใจได้ถ้าทำเกาะหลักไว้นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านไปนไม่มีการเสียเปล่าแนะ่ถูกต้องถูกไหมคะใช่ค่ะอุปมาอไมยอันหนึ่งที่ที่ตรงนี้ที่พุทธเจ้าได้ยกถึงเรื่องของชาวนาที่ทำงานสามอย่างนะ ่ว่าเราจะไปกะเกณ์มากจิตฉันต้องหลุดพ้นวันนั้นวันนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะีมันจะมีเวลาตามเวลาของมันเหมือนกันเวลาที่เราปฏิบัติไปเนี่ยอินทรีย์คือเจ้าสัทธาวิยาสติสมาธิของจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นนะมันเหมือนกับการบ่ ม, บ, มบ่มเหมือนกับบ่มมะม่วงบ่มอะไรให้มันสุก ข, ขึ้นมานะีซึ่งองค์ประกอบเป็นการบ่มตรงนี้คือเราก็ทําเรื่องของศีลสมาธิปัญญาค่อยๆทําไปแล้ว น, นั่นเอง อุปมาชาวนานี่ก็ดีนะคะใช่คือพระพุธองเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านเป็นสุดยอดแห่งการเปรียบเทียบที่บอกว่าหน้าที่ของชาวนานก็คือต้องเตรียมพื้นดินไถ่คลาดพื้นที่นานให้ดีซะก่อนชแล้วก็รีบๆปลูกพืชพอหลังจากนั้นก็ให้รีบๆไถน้ำเข้าบ้างไถน้ำออกบ้างก<ช>ิจที่จะต้องทามีสาอย่างเท่านี้ใช่แต่ว่าไม่มีฤทธ หรืออนุภาพที่บรรดาลว่าข้าวจะงอกในวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกมะรืนนี้ได้เลยอืมนี่แหล ะ, ะนี่แหละนี่แหละคือว่าเราก็ไม่มีฤทธิ์หรืออำนาจที่จะบอกว่าเ อ, อเราจะต้องบรรลุมเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดทางนั้นนั่นคือผิดทางละค่ะสร้างเหตุให้ดีเท่านั้นเองเตรียมดินให้ดีหวานพืชเอาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพหวานลงไปไถน้ำเข้าไปให้พอเหมาะใช้ความรู้ที่มีอยู่ แล้วก็อาจจะต้องดูแลในระหว่างนั้นป้องกันมแมลงศัตรูพืชอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็คอยผลมีเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติเรียกว่าทางสายกลางใช่ไหมคะถูกต้องแล้วในในการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูพระรูาจะใช้คําที่รัดกุมนะคือการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง ใ, <ช>ในจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งนศะีลที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปห้าข้อดีไหมดี ที่ยิ่งไปกว่านั้นมีไหมมีดี๋ยคุณก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปนะบางคนไม่ต้องพูดถึง5ข้อสี่ข้อทาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาสาข้อพอนั้นวมันก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปจากสาข้อเป็น 4, ีข้อห้ข้อก็ค่อยๆทำไปค่ะพูดถึงลำพังแค่สีลห้าอันยิ่งคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนทำได้แบบไม่ไม่สมบูรณ์ออนะคะก็ ทำให้สมบูรณ์มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ทําอยู่แค่ห้ข้ออนี้ละคะจัง ก, ก็เป็นสีเงนยิ่งได้ไหมถูกต้องถูกต้องเพราะเราค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าต่อรองนิดหนึ่งทําแค่สี่ข้อแต่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้ไหมคะก็ถ้ามันขาดสักข้อใดข้อหนึ่งอย่างสมมติอ่าข้อ5้าอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเรามีสัมมาวาจาเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าได้นะได้เหมือนกันอ๋อ เพราะว่าจริงๆนะถ้าถ้าสมมติว่าเอาแค่สี่ข้อนะคายข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยถามว่าปกติไหมก็คือปกติสีข้อแต่คนทั่ ว, วไปคนปกติดีๆกันเนี่ยเขาจะต้องมีห้านะค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถามว่าได้อันนี้ส์ของสีข้อไหมก็ต้องตอบว่าได้แล้วก็ถ้าทําให้ดีขึ้นไปควรไหมควรทำนะคะเพราะทำทำไปเนี่ยเรียเข้าใจว่าครบไปเองแต่ว่าผู้ที่ต่อรอเนี่ยคือ ขอถามไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็พอทําทําไปดิฉันก็ไม่เคยเห็นใครนะคะที่ทําไปแล้วฉันเอาแค่สี่ข้อนี่แหละจนตายขอแค่สี่ข้อพอ อ, อซึ่งอันนี้ที่ท่านไปี้ยบูนกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีมุมที่พิเศษนะคะว่าถ้าเกิดมีสี่ข้อแล้วหมายถึงข้อดื่มสุราเว้นไว้ก่อนเพราะยังต้องกรึบกรับอะไรกันนี่นะคะท่านก็บอกว่าพระพุทโธตัดเรื่องสัมมาวาจาใช่บานใจ จะช่วยเติมเต็มเลยใช่มใช่ใช่บางครั้งนี่ก็เอาเรื่องของสุราออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีกสามข้อเนี่ยมาใส่แทนแต่เพราะว่าในในวงเล่ามันก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่อนะค่ะคือจริงๆแล้วการไม่พูดปดสีนะคะท่านคะไม่พูดโกหกใช่ไม่พูดคำหยาบคำหยาบไม่พูดส่อเสียดพูดให้แตกกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยเถ้าจะว่าไปดิฉันว่าไปรักษาศีห้าเผยง่ายกว่าข้อที่ห้าค่ะ เพราะว่าอันนี้ต้องใช้สติอันยิ่งเลยนะคะเนื่องจากวาจาเนี่ยยังก็ไม่ทําอะไรเลยในสามข้อแรกแต่เรื่องเพอเจอร์เนี่ยเป็นนิสัยของคนไทยเลยนะคะชอบพูดแซวกันหยอกกันในเรื่องที่หาเหตุผลอ้างอิงไม่ได้สนุกนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ต้องระวังมันเป็นสัมมาวาจาคือถ้าเราทําได้เนี่ยจะดีมากนะคุณโยมติวเพราะว่าสติเรามันมันตั้งมั่นอยู่ตลอดจริงๆเรามีกําลังดีเดียวค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวเองก็อาจจะต้องแก้ไขด้วยนะคะแล้วก็เรื่องปฏิบัติ3อย่างคือศีลอันยิ่งสมาทานปฏิบัติในจิตอันยิ่งคือที่ปฏิบัติธรรมอยู่นี้ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องจิตอันยิ่งก็คือสติที่มั่นคงมากขึ้นเรื่องของโพชฌงเรื่อ ง, อ, งอะไรก็ว่าไปตรงนั้นค่ะและสมาทานในการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งหมายความว่าไงกังนบ้างปัญญาอันยิ่งเนี่ยคือเรื่องของสมถวิปัสสนา ในเรื่อ ง, องการที่เราเห็นการความไม่เที่ยงเรื่องของการที่เราเห็นความไม่ใช่ตัวตนแบบนั่นพวกนี้ละเอียดละเอียดขึ้นไปค่ะความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนซึ่งจะเป็นลักษณะของธรรมะที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นละเอียดประณีตยิ่งิ่งขึ้นไปใช่คำหนึ่งที่ที่เราจะเอามาใช้ตรงนี้ได้คือเรื่องของมรคสมังคนะีนั่นคือหมายความว่าเราทําให้มันไปตื่นทุกด้านของชีวิตของเรา ทำให้มันมีความสามัคคีความเนียนความเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือมีความสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นยังไงก็ได้ค่ะก็คือศีลสมาธิปัญญาคุณทําในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะตอนมาวัดอแต่ว่าที่ทํางานก็ทําด้วยไม่ใช่เฉพาะอยู่กับหัวหน้าแต่ว่าอยู่กับครอบครัวรก็ทําด้วยอย่างนี้ปฏิบัติเป็นเป็นวิถีเป็นวิถีชีวิตเลยใช่ตรงนี้ใช่มคะมัคคะสมังคีบางคนเนี่ย มีความเชื่อว่าปีหนึ่งไปปฏิบัติธรรมสักครั้งชําระล้างในสิ่งที่มันกระพร่องกระแเ่งตลอดปีที่ผ่านมามนได้ไหมอช่ไหมได้นี่เป็นข้อปฏิบัติที่ดีถ้าถ้าถ้าทําได้น ะ, ะหลายหลายคนก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันที่มาวัดป่าอะไรโฉมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งบางคนมาถี่ว่านั้นก็มีค่ะคือเหมือนกันนอกจากจะมาคะสมังคีอยู่กับบ้านแล้วไปแบบยิ่งยวดให้มั่นใจว่าถ้า ปฏิบัติอันยิ่งแล้วจะต้องเป็นแบบนี้กันปีละสักครั้งหนึ่งเป็นตน้ น, นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบการหลีกเล่นนั่นเองนะคะที่วัดป่าดอนไหศกมีเป็นประจําทุกเดือนเลยค่ ะ, ะวันนี้ก็ต้องกราบน้าวส ก, การ์ขอบพระคุณท่านพุบูรุษเป็นอย่างยิ่งนะค ะ, ะน้าวสกการ์ค่ะท่านผู้ฟังที่ทรกข์ค่ะและเนี่ก็คือรายการสันสัีญ์สนทนานะคะวันนี้ทําให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกถึงวิธีปฏิบัติให้ก้าวหน้านั้นถ้าปฏิบัติถูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะ ไม่ก้าวหน้าทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องสร้างเหตุผลเกิดแน่นอนนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้พุธทวัสสวัสดีค่ะ